บันดาท่านวิสุสธิสมนเนรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ที่พูดนี่เป็นวันที่ยี่ิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดผมก็อยู่ในเตนป่วยไข้ไม่สบายมากวันนี้ไข้กินหนักในแพทย์ประสิทธ์มาจากกรุงเทพให้น้ำเกลือและให้ยาไข้ ก็อาการดีขึ้นบ้างตามสมควรแต่ว่าเซมหะยังจัดการกับคอมากอยู่แต่ว่าการป่วยไข้ไม่สบายของผมผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายในเมื่อร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยร่างกายมันจะตายก็เชิญตายแต่สำหรับผมคือจิตใจ จะไม่ยอมป่วยกับร่างกายจะไม่ยอมตายกับร่างกายทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าผมจำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่านบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันเป็นกระสอบของสุกปรกที่เราเอาศัยมันอยู่ จีนั้นในฐานนาที่องค์สมเด็จพระบรมมรูทรงแนะนำอย่างนี้ผมก็พยายามจำแต่ก็จำเท่าที่พอจะปฏิบัติได้ขอท่านหลายพึงาำนึงถึงวาจาเวลานี้นักบทเลวทางวาจามีมากแต่ความจริงวาจา ก, ก็ดีกายก็ดีมาจากใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงจัก ว, ว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหคนหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จใจถ้าใจเลววาจา ก, ก็เลวกายก็เลวถ้าใจดีวาจา ก, ก็ดีกายก็ดี ฉะนั้นการพูดปล่อยๆ อ, อย่างคนไร้ศีล5ไร้กรมัมมบท10จงอย่ามีเดบัรดาท่านทั้งหลายเพราะกรรมใหญ่ที่เป็นอกุศลส่วนนี้จะพาท่านลงอบายภูโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกัมวลนจิตพยายามละตันหาให้มากไม่มีความรู้สึกอยู่ว่ากายนี้มันจะทรงอยู่ได้ไม่นาน มันพังเมื่อใดแล้วก็ทิ้งมันเมื่อนั้นสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เราก็อยู่กับมันไม่นานเมื่อร่างกายพังเราก็เลิกจากมันไม่มีใครถือสิทธิ์ต่อไปได้กําลังใจได้สะอาดถ้าไปบุ้นบายกับทรัพย์สินที่ไรความดีความดีมดทรัพย์สินต่างๆไม่มีอะไรความดีไม่มีความดีจริงๆมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ถ้าเราจะไปมีความสุขเมื่อตายแล้วต้อห่วงมันนิดหนึ่งเราอาจจะต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นี่หมายเนว่าความดีเรามีมากนะแต่ว่ากำลังใจกังวล น, นิดหนึ่งเมื่อก่อนจะตายอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือว่าถ้ากังวลมากเกินไปก็จะต้องลงนรกวันนี้ผมจะนำตัวอย่าง พระที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์ปิฎิฐานคือเป็นเลนอย่าลืมว่าคำพูดทุกคำที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ความสามารถของผมเป็นความดีของสมเด็จพระสัมมาทิพย์เจ้าที่ให้ไว้แล้วผมก็คงดีไม่เท่าผมพูดผมก็ดีแค่ตัวของผมเท่าที่ผมจะทำความดีได้ แต่ว่าอย่าเอาเสียงไปเห่าใครเขาก็แล้วกันถ้าเราแต่งกายเป็นพระแล้วก็ชอบเห่ามันจะกลายเป็นสุนัขพิเศษที่ต้องลงเอเวีจีมาหารกไปเรื่องราวในพระธรรมบทท่าที่เจ็ดท่านบอกว่าเรื่องพระติสสะเทระความจริงใน ต, ตอนนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้า ทรงประทับอยู่ในพระเฉตวันทรงปราบพิสุองค์หนึ่งชื่อวติสฐตัดพระธรรมเทศานาน้วาอายะสาวะมัลลังสมุทธาสมุทหายะเป็นต้นใจความในเนื้อความก็มีว่าตามที่พระอ น, นุนทั้งกล่าวท่านบอกกูว่าที่ได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควา สมเด็จพระพู้มีพระพาเจ้าได้จัดมาแล้วอย่างนี้ว่ากุณบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งเข้ามาบัญชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วท่านผู้นี้มีชื่อว่าติสสะเถระคำว่าเถระนี่ถ้าหากว่ามีอายุมีภรษาไม่ถึงสิบก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่เป็นพระรหัน อย่างน้อยก็อยต้องเป็นพระโสดาบันและสกิทาคามีไม่อย่างนั้นคําว่าเทระจะเกิดขึ้นได้ยากจะต้องถึงมีรส า, าถึงสิบ ก, กล่าวว่าในการต่อมาพระติสเทระองค์นั้นเข้าไปจําบรญศาลในวิหารชนบทไอวิหารนี่คือแปลว่าวที่อยู่นะไม่ต้องไปก่อไปอีกเป็นปูนเสมอไป เข้าไปอยู่ในที่อยู่ในกุฏิตามต่าง ๆ, ๆที่ก็ปลูกไว้ตามชาวบ้านต่างๆในเมืองและกๆใ น, นตระบูลต่างๆช น, นบทท่านได้ผ้าสาดกเนื้อหยักหยาบมาหนึ่งผืนประมาณยาวประมาณแปดสอ่อเมื่อจําพรรษาแล้วแล้วก็ประวัตินาภรรษาคือออกพรรษาแล้วท่านก็นําผ้าผืนนั้นไปไปที่บ้าน บ้านพี่สาวของท่านแล้วก็เบวางไว้ใกล้ๆกับที่พี่สาวนั่งสำหรับพี่สาวของท่านก็มีคนเพ่อความหวังดีรักน้องมากแล้วก็แล้วก็เคารพในความเป็นพระพี่สาวมองดูผ้าผืนนั้นแล้วก็คิดว่าผ้าสาโดกผืนนี้ไม่สมควรแก่น้องชายของเราเพราะเนื้อมันหยาบมาก น้องชายของเราซึ่งเป็นพระเป็นคนมีความประพฤติดีประพฤติชอบเมื่อเป็นเขาไหวก้กวดีเป็นพระกวดีคือว่าบทอยู่ก็ไม่เสียพระเหลืองทายาสิกก็ไม่เปลีืองพระลายคือไม่เลวคิดว่าจะทําให้มันดีไปกว่านั้นจึงเอาตะไกลมาตัดผ้าเสร็จหมดเอาดักมีดคมๆ ม, ม, มาตัดผ้าผ้าไม่เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ชินเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ตามเป็นตามแต่จะได้แล้วก็นําไปโขกในครกแล้วก็สางออกมาดีกรอปัน่นทําให้เป็นได้ละเอียดเส้นเล็กๆมีความเหนียวแล้วก็ทอเป็นผ้าสาดกทอทอเป็นผ้าเต็มผืนท่า น, นบอกว่าพระเถระเตรียมจะตัดจีวรเวลานั้นเขาไม่มีจีวรเป็นรูป เรียกว่าการจีวรตามไปไหนพอได้ผ้ามาก็เย็บปฏิประตองที่ผ้าปรสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่มีความกว้างคืบคืบยาวคืบขึ้นไปถือว่าเป็นผ้าสําคัญของพระเรียกว่าจีวรพอได้มาแล้วก็มาเก็บก็ไว้นะครับพอผืนก็เย็บปฏิดประตอห่มจีวรสมัยโน้นนะท่านหลายฟังแล้วก็จำไปด้วยอย่าสํารวยให้มากนะ เนีย่ยเก็บความเลวคือความสําหร่อยมาสะสมไว้ในใจดูตัวอย่างพระในสมัยพระพุทธเจา้านั้นฝ่ายพระเถระคือพระติสสะก็จัดแจงเอาได้เอาเข็มมาแล้วก็มีมนพิสุน ม, ม น, นัสมนเรนผู้ทําจีวรให้ไปชุมกันแล้วหมายความที่ทําจีวรเป็นจะไม่ช่วยกันเย็บช่วยกันตัดช่วยกันทํา เราไปแล้วจึงได้ไปถึงบ้านของพี่สาวแม่กระบกพูดว่าพี่ผ้าสานดกของอาตมาเน่ะอยู่ที่ไหนอาตมาจะไปขอผ้าสานด ก, กไปทำจีวรับะพี่สาวก็นำผ้าสานดกยาวประมาณเก้าอกมาวางไว้ใกล้มือของท่าน พลอท่านติดสาคุ่นน้องชายถ้าเป็นพระดีมากนี่ต้องจําเจริยานี่นะครับญาติโยมผู้บริษัทก็ไม่กันฟังแล้วก็จำเจริยาของพระดีไว้ถ้าไปดูละถ้าพระองค์ไหนมันเลวกว่านี้จงอย่าให้ข้าวมันกินที่ใช้ศัพท์อย่างนี้ก็เพราะมันเลวและที่เลวมีมากเหลือเกิน <c oughs> แต่ที่ดีก็ไม่มากตามโบราณนบอกว่า นักบวชชั่วกม็มีนักบวช ด, ดีก็มากนักบวชชั่วหายยากนักบวชเร็วถมไปปากเพลพล่อยที่พูดมนในเรื่องก่นกอนจจำไวป้ประเดีั้วมันเร็วขนาดหนักเร็วกว่าคนที่รักษาศีลห้าไม่ควรครบท่านรับพระฟาสก์มาพิเจนาแล้วพูดว่าพี่ ผ้าสาดดกของฉันเนี่ยเนื้อมันหยาบแล้วก็ยาวประมาณแปดซอกสําหรับผ้าผืนนี้เนื้อละเอียดมากก็มันยาวประมาณเก้าซอกผ้านี้มันไม่ใช่ผ้าของฉันนี่เป็นผ้าสาดดกของพี่นี่ฉันเอาไปไม่ได้หรอกผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของฉันเขามาถวายมามันผิดเรื่องผิดราวมันจะเป็นตันหานี่ถ้าละเอียดมาก น่ารักพี่สาก็บอกว่าผ้าผืนซาดอกผืนนี้เป็นผ้าของคุณไม่ใช่ผ้าของฉันแต่ว่าที่มันยาวออกไปเนื้อละเอียดลงไปเพราะฉันไม่โคลกมาตำมารีดมากรอมาทอใหม่มันก็ขยายเนื้อไปเป็นผ้าเนื้อดีในที่สุดพระติดสะท่านก็รับปมาทําจีวรในวาานเริ่มทาจีวรกรรม <c oughs> ก็เย็บจีวรตัดแล้วก็เย็บเป็นกระทงของชาวนามาคตตามทพระพุทธเจ้าทรงจัดเช่นม่าจีวรเขาตัดผ้าฝืนใหญ่ๆเขามาตัดเป็นตอนตอนเย็บเป็นตอนตอนพ่อจีวรครั้งแรกพระพุทธเจ้าตัดให้ทําอย่างคันนายของชาวมาคตรท่านบอกว่าลาดับนั้นพี่สาของท่านจัดแจงวัตถุมียาคูคือเข้าต้มพัดอาหารอาหารพระเป็นต้น ให้พัตตะพัตระตัวเองอาหารเพื่อจะทําประโยชน์แก่มนดาพิสุทธ์สมณี น, นผู้ทันำิีวรของพระนองชยัยคือพระติสสะก็ในวันทำจยวรท่านบอกในเวลาที่ทัำจีวรเสร็จพิสาให้ทําสักการะคือบูชาพระเลี้ยงดูพระถวายพระมากมายเป็นการสนองคนที่ช่วยพระนองชัยของท่านท่านปติสระและดูจีวรแล้วก็เกิดความ เยื่อให ญ, ใหญ่คือความต้องการที่าผ้ามันเนื้อดีเกิดความรักในจีวรนั้นก็แล้วกันคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะข่มจีวรนั้นมันคงจะสวยนะอย่าลืมนะพระโสดาซีทาคาอย่างชอบสวยแล้วก็พับผาดไว้ที่สายเสดียงสายระเดียง้สายระเดียงที่เป็นสายขึงๆก็พับตาจีวร ในคืนวันนั้นเองปรากฏว่าท่านเกิดอาหารไม่ย่อยอาหารไม่สามารถจะย่อยจะย่อยไปได้คือท้องมันอืดเนี่ยท้องอืดมาลมแดกขึ้นมาตีขึ้นมาห น, นันกๆตายตายเวลานั้นทั้งท่าน ท, ท, ที่จิตยังห่วงจีวร อ, อยู่ฟังตอนนี้แล้วก็ใคร่ครวญนึกถึงเรื่องเก่าให้ดีนะ ่ายพี่สาวได้ทราบการมรณภาพแล้วก็ร้องไห้เสียใจใกล้เทา้าของพระน้องชายบรรดาผู้พิสูที่ทำจีวอนทำชาวมณิจเผาศพเสร็จของท่านแล้วจึงได้นำจึงอาจีวรนนั้นมาสนแสดงก็บสงบอกว่านี่จีวอนขราพติดสารับท่านทำามาวานี้เองมาทันห่มตายไปเสียแล้ว หรือว่าตามธรรมดาถ้าพระ อ, องค์ไหนมีลูกศิษย์สมบัติที่มีอยู่เช่นจีวรเป็นต้นสมบัติจีวรก็อยู่กับพระที่อุปมาที่เป็นลูกศิษย์ที่อุปถากรมรดแต่ว่าถ้าไม่มีของนั้นตกเป็นของสงฆ์ทั่วไปจึงได้นําให้แก่สงฆ์บรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> ก็มาจัดแจงดูแลทรัพย์สินต่างๆอันเป็นสมบัติคำํำว่าติสระมำจริงก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็มีบาดมีจีวรมีสังกะมีของใช้เล็ ก, ลกๆแต่น้อยตามชาบ้านเขาให้เวลาที่พระกำลังหยิบจีวรตัวนั้นตัวนี้พระติสราที่ตายไปเวลานั้นจิตไปห่วงจีวรเขานิดเดียวแทนที่จะไปเกิดบนสวรรค์ตามกำลังความดีของท่านความจริงท่านมีสิทธิ์ไปเกิดบนชั้นดุสิต ตามบาลีก็มาได้บอกว่าพระทิศนี่เป็นพระโสดาบันนิสกิทาคามีและนาคามีแต่ว่าเป็นเครื่องมิิจฉัยว่าคนที่เป็นจะไปอยู่ชั้นดุสิตได้มีสามพวกคือหนึ่งแล้วพุทธบิดาพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าโอริสองคือพระโอริสัตมีบารมีเป็นปรมัตถมารมีโอริสาม จะต้องเป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่ระสมดาบันกินไปยิ่งไ้เกิดในชั้นดุสิตได้อันนี้ก็สำหรับพระติสานี้ท่านมีสิทธิจะไปชั้นดุสิตบาลีไม่ได้บอกว่าเป็นพระอริยะแต่ว่ามีความละเอียดอ่อลมัตตวางแบบนั้นผมถือว่าท่านเป็นพระอริยะอริยะแปลผู้มีความบริสุทธิ์หมดจด แม้แต่ผ้ามันโตไปนิดหนึ่งดีเนื้อดีไปหน่อยท่านยังไม่ยอมรับก็ไมายความก็ดีก็พระที่มีความโลภโมโทสันอยากได้อะไรไม่มีการจํากัดใครก็มีความดีมอิจฉานิศยาทนไม่ไหวได้รู้ไม่จริงก็เผยออกไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้จักมันมาแบบนั้นแบบนี้พระพวกนี้เป็นพระสัตว์นรก เราก็พูดกันตรงไปตรงมาจะเกรงใจอะไรกันคนที่หน้าไม่เหมือนพ่อเราเราไม่ต้องเกรงใจถ้าเขาไม่ดีพ่อของเราคือใครคือพระพุทธเจ้าพ่อของเราดีเราก็รบพ่อของเขาคนที่มาทําลายความดีของพ่อเราก็ไม่ควรจะเกรงใจ เวลานั้นที่พระไปหยิบจีวรผืนนั้นพอนธีพระติดสะตายจากความเป็นพระจากคนคนไปเกิดเป็นเลนในกรีบของจีวร น, นั่นคืเก็บจีวรตอนที่พระหยิบแกก็กร้องตะโกนวิ่งไปวิ่งมาในจีวรมาไอ้โจรไอ้โจรไอ้โจตรต้นจีวรไอ้โจตรต้นจีวร น, นี่ท่านทั้นหลายฟังใ น, นจําได้ไหมโกตุฮดิกะนึกถึงหมาตายจากคนเป็นหมาเข้าไปในท้องหมา ท่านพระติสสะตายจากโกลนึกถึงจีวรเป็นเล่นอยู่ในตะเข็บของจีวร อ, องค์สมเด็จพระชินวรนคือพระพุทธเจ้าว่าทับอยู่ในพระมหาวิหารได้ยินเสียงเล่นด้านตะโกนอาศัยทิปโสดทิปจุพติปตาเป็นทิปหูเป็นทิปท่านไม่เหมือนพวกเราท่านเป็นทิปชัดเพราะอวญญาในาทิปจะทิปตรงตรง ไม่ต้องลงยานมันเราเราทิพยุ ญ, ญูยานทิพโสตยานถ้าตั้งแต่พิญญาหูก็ไปตาเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์จริงๆคือไม่ต้องใช้ใจโดยเฉพาะพระเจ้ายินเสียงได้โกลน้องเล่นยินเสียงได้เห็นภาพเป็นวิ่งไปวิ่งมาเจ้าสั่งพระอนนุ์ว่าอนนุนไปบอกพระเก็บจีวรไว้ก่อนยาแตะต้อง ตั้งแต่วันนี้ไปเจ็ดวันห้ามแตะต้องเด้ขาดพระนนท์ก็ไปบอกพระพุทธเจ้าก็เก็บเมื่อถึงวันที่แปดพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไปเอาจีวรมาแจกสงฆ์ได้ผ้ามันดีก็ตัดเป็นชิ้นๆไปแจกกับพระจะได้ไปเก็บเป็นชิ้นเป็นตอนเก็บไว้เพื่อสหาผ้ามาสะสมเป็นจีวรต่อไป <c oughs> ต่อมาบรรดาพิสุส์ท่านหลายนั่งไปชมกันวา ร, ร, ระเหตุไรองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านจ <c oughs> ึงได้ทรงห้ามให้พวกเราแตะต้องจีวร น, นั้นถึงเวลาเจ็ดวันแต่วันที่แปดก็ทรงอนุญาตให้เอาจีวรเจาพระได้ต่ดเจาพระได้ สมเด็จพระจอมตรยทรงเสด็จมาณที่นั่นความจริงท่านได้ยินหมดพระปรารภกันอยู่ไกลแสงไกลความเป็นทิพย์จิตธรรมทิพย์ถูความเป็นทิพย์ตาของท่านรู้หมดใครขยับกระเยือนแม้แต่ใจนึกท่านรู้หมดทอ <c oughs> ไปนั่งประทับนั่งแล้วถามพระท่านหลายว่าปรารภเรื่องอะไรพระก็กราบทูลในสงสารเรื่องการสงสยัยเรื่องจีบบ่น สมเด็จพัชจนวรจึงได้มีพระพุทธตริกาว่าพิกวีดูก่อนพีสุดทั้งหลา <c> ย <oughs> ที่ะถาคตสั่งอย่างนั้นเพราะวะ่ติดสะตายแล้วควรจะไปสวรรค์อาศัยจิตห่วงจีวร น, นิดเดียวก็ไปเป็นเลนในเนกล็จีวรมีความหงแหนเวลาเธ อ, อยิจีวรเธอก็วิ่งไปวิ่งมาลอนกนว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรถ้าเธอขัดใจ เลนติสสะจะต้องลงนรกโมสิ้นเจ็ดวันแล้วตาทาคตมีความกร น, นาจึงให้วางไว้เลนมีอายุแค่เจ็ดวันเวลานี้เลนล้ว น, นตายไปแล้วกำลังความดีของเลนติสสะเป็นปใจใัจจัยเกิดบนชั้นดุสิตมันดาพระทาั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรยว่าพันตีพระกวา ข้าดีองสำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผูดเจ้าขา่าขึ้นชีอว่าตัณหาคือความอยากนี่อยาบคายได้เกินสำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าตัณหานี้ไร้กาจนักมันเหมือนกับสนิมเหล็กมันเกาะเหล็กอันไหนเมื่อกินจนเหล็กนั้นพังไปเลยกลอนไปทีดันน้อยดันน้อยตัณหานี้ถ้าเกาะกินใจก็มีสภาพเช่นเดียวกัน มันจะทำลายความดีวินาศไปพ้นทุกปัจจัยแห่งตันหาที่ไม่เกิดขึ้นคือกำลังของมันมันก็จะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะจากนั้นสมเด็จพระผู้มีพระาเจ้าจึงตัดเป็นพุทธภาสิตว่าสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กขั้นตั้งขึ้นแต่เหล็กแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองชั้นใดกรรมทั้งหลายของตน ย่อมนําบุคคลผู้มักประพฤติล่วงซึ่งปัญญาเชื่อว่าโยถาไปสู่ทุกติได้ช่นั้นนี่คติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่แนะนําว่าทุกคนจงพิยามละตันหาเชื่อ้เราจะละตันหาให้ขาดทีเดียวมันยากได้มีความเข้าใจคืออยาอยากชั่วอย่ายากฆ่ า, ขาเขาจะอยากหลักขโมยเขาอยาก ยิ่งคนรักเขาจะอยากพูดเสียจะอยากพูดเสียคือไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบไม่พูดวาจาส่อเสียดนินทาชาวบ้านในพูดวาจาเลอะเทอะที่ได้ไม่ประโยชน์ไม่รู้จริงอย่าพูดและก็ไม่คิดจะเสพสุราได้ไม่ไรเป็นตน้นได้มีความเข้าใจว่าไอ้ความอยากทรงชีวิตอยู่นะมันเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจตามนั้นชีวิตนี้ไม่ใชาก็ตาย ทรัพสมบัติทั้งหลายที่หามันได้มันก็หมดตายแล้วไม่มีสิทธิ์อย่างโอ้เกินไปยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาแต่งตั้งให้เขาให้ก็รับเถอะแต่จะไปหลงยศหลงยศจนกทั่งนินทาชาวบ้านทางทั้ ง, ท, ง, ท, งที่มีความไม่รู้จริงอย่างกับคนที่เขาบอกว่าไอ้ลิงดำมันบวชกับพ่อปานั้งแต่สมัยเด็กเล็กๆมันลิงพ่อปานยังเรียกไอ้ลิง นี่คนคนนี้ว่าจะไม่ไม่เป็นมุสาวาทโดยหยาบด้วยสแสดงจิตใจเลวแสนเลวที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้กลดคนนั้นนะผมแนะนําพวกท่านว่าท่านจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามจงอย่าเลวแบบนี้คือความเลวแบบนี้ไม่ได้สร้างความดีให้เกิดตัวคนที่ตูกข่าวหาคือเจ้าเลียงดำมันก็ไม่ได้เลวไปด้วย เจ้าเลียงดำมันจะเร็วหรือไม่เร็วถ้ามันทำความดีมันก็ไม่เร็วว่ามันเรวยังไงมันก็ไม่เร็วถ้าเจ้าเลียงดำมันเร็วจะสันเซิญว่ามันดียังไงมันก็ไม่ดีความดีความเร็วของพวกเราหรือเจ้าเลียงดำก็ตามมันจะอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทปังใบกันนาบายขุ่ไว้ยคืนหนึ่งมีสชีวารู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย จงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้คิดว่าจะเป็นวันนี้ไปเสมออย่าเลวอย่างคนที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็จงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญารักษาศีลทุิกขาบทให้สะอาดหมดจดและจิตคิดไม่เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ผังเมื่อไรขอไปในผ่านเมือนั้น แล้วก็พยายามกันจัดโลภะความโลภไิ้จากาโนสติกามันฐานในการให้ทานการจัดราคะความรักด้วยพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสุปกปรกมีการส่งตัวการจัดความโกรธด้วยโรมิหางสี่ตัดอคติสี่ทิ้งไปการจัดกําจัดความหลงให้ว่าร่างกายมีสภาพจะต้องตายไม่ทรงอยู่แก่ทุกวันป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติของร่างกาย การสุดทร ง, งร่างกายเป็นของธรรมดาความตายจะมาถึงเมื่อไรก็าช่างมันเป็นธรรมดาของร่างกายตั้งใจว่าถ้ายังดีมียังมีกำลังอยู่เราจะมีความดีทางกายมีความดีทางวาจาและมีความดีทางใจตามที่พระเจ้าตรัสว่าจงกำจัดความชั่วให้หมดใกล้จา ก, กจิต คิดแล้วก็ทำแต่ความดีทำจิตใจบ่งสายเจกินเลสองค์สมเด็จพระบรมโลเกเทศทรงยืนยันว่าทำได้อย่างนี้เพราะพวกเราและท่านทั้งหมดจะพ้นจากความทุกข์อรันดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนวิสุทธ์สมเนเณรทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผ ล, ผล จงมีแด่บรรดาท่านุทธศสาสนิกิจชนและเพื่อนพิสูจน์สมานเ น, นที่รักทุกท่านสวัสดี